ติจ า, าระหนึ่งปัจจญานุโลม์หนึ่งวิพังวาระเหตุปัจจัยหนึ่งสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก และมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานในรูปอาศัยขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมรรคเบื้องบนสอาศัยสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ ขันสามและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้น 2. สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน 3, อสอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้น ข, ข, ขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่ต <uses> ้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม อาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสามเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นสามสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคบื้องบนสามเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยโสโดาปฏิมาและมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามและประตัตารูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยโสโดาปฏิมาและมรรคเบื้องบน ส, สามเกิดขึ้นขันสองและปตัตารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้น หาทายวัตุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาทายวัตุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกะตาตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น 4. สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม อาศ hey, ah! ัถถยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมัคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตส ม, มุทฐานรูปอาศัยขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมัคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมัคเบื้องบนสามและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัค ละมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามและอาศัายมาหาภูตรูปเกิดขึ้นอารามณปัจจัยหสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมร์อาศัยสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่ง ที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสเกิดขึ้นเพราะอารมาณปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม อาศัย ส, family, สภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะอารมะณะปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้น ขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอธิปติปัจจัย 6. สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้งบนสาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นมหาภูตรูปสาม อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นจิตตะสมุทานรูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาและมักเบื้องบนสอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาและมักเบื้องบนสาม เกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามอาศัยสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่จิตตสมุฐานรูป อาศัยขันที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามและอาศัยมห ah าภูตรูปเกิดขึ้นอนันตรปัจจัยและสมนันตระปัจจัยแปสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะอานันตระปัจจัยเพราะสมนันตระปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยเก้า สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะสหชาติปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื่องบนสอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสเกิดขึ้นเพราะสหชาติปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก และมรรคเบื้องบนสเกิดขึ้นเพราะสหชาติปัจจยัยอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสําหรับเหล่าอ า, าศัญยสัตตพรมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งสิภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและมรรคเบื้องบนสอาศัยสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาค และมรรคเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะสหชาตะปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรักและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรักและมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรักและมรรคเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะสหชาตะปัจจัยได้แก่ จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอัญญามัญญะปัจจัยบเอสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรักอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรักเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม เกิดขึ้นเพราะอัญญามัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและมัคเบื้องบนาสาอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและมัคเบื่งบนสาเกิดขึ้นเพราะอัญญามัญญะปัจจัยได้แก่ขันาสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและมัคเบื่งบนสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ ขันสามและหาไทยวัตถุอาศัยขันหนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏ ступ, ิมักและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นขันสองและหาไทยวัตถุอาศัยขันสองเกิดขึ้นหาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสาอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นและถึงที่เป็นภายนอก ที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอาสัญญาสัตยพรมมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นนิสยปัจจัยเป็นต้นสิสองสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเกิดขึ้นเพราะนิสยปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับเตโตปัจจัย เพราะอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระเพราะปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระไม่มีปฏิสนธิเพราะอาเจวนปัจจัยไม่มีวิปากะปฏิสนธิเพราะกรร ม, มปัจจัยปัจจัยมีนิสยปัจจัยเป็นต้นบริบูรณ์แล้วรูปที่เป็นภายในและมหาภูตรูปของเหล่าอสัญยาสัตรพรมก็บริบูรณ์แล้ววิปากะปัจจัยสิบสาม สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและด้วยมักเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะวิปากับปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะหาทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูต ร, รูปหนึ่ง จิตตสมุทานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอาหารับปัจจัยเป็นต้น14สภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะอาหารับปัจจัยปัจจัยมีอาหารับปัจจัยเป็นต้นบริบูรณ์แล้วมหาภูตรูปที่เป็นภายใน และอาหารสมุทฐานรูปก็บร э ิบูรณ์แล้วเพราะอินทริยปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับกรรมะปัจใจเพราะฌานะปัจใจเพราะมัคคะปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับเพรโปัจจัยเพราะสัมปยุตตปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับอารามณปัจจัยเพราะวิปยุตตปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับวิปยุตตปัจจัยในกุชละติกะเพราะอธิปัจจัย ปัจจัยนี้เหมือนกับสหาชาตปัจจัยเพราะนัตถิปัจจัยเพราะวิคตะปัจจัยเพราะอวิคตะปัจจัยหนึ่งปัจญจานุโลมสองสังกยาวาระสุทธนสิบห้า เทตุปัจจัยมีเ้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระอนาตระปัจจัยมีสามวาระสมานันตรปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยมีเ้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอเจวณปัจจัยมีสามวาระ ธ e. รมะปัจจัยมีเ้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระหาหารปัจจัย <Gener mã S 1> มีเ้าวาระอินทรียะปัจจัยมีเ้าวาระชานะปัจจัยมีเ้าวาระมัคระปัจจัยมีเ้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีเ้าวาระอธิปัจจัยมีเ้าวาระณติปัจจัยมีสามวาระวิคตะปัจจัยมีสามวาระ วิคตาปัจจัยม่ก้าวาระผู้รู้พึงนับอนุโลมตามบทเหล่านี้อนุโลมจกสองปัจจยะปัจจนียะหนึ่งวิพังขวาระนัเหตุปัจใจสิบหกสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจชาอาศัยขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจชาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะหน้าเหตุตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยอุทัจะอาศัยขันที่สหรคตด้วยอุทัจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสาม อาศัยสภาวธรรมที่ไม <t> ่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะอหิโตปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะสมุฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอหิโตกะซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอหิโตกะขันสามและกตัตตารูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยโซดาปฏิมัก และมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นหาทายวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาทายวัตถุเกิดขึ้นมหพุทธรูปสอาศัยมหพุทธรูปหนึ่งเกิดขึ้นจิตจะสมุทฐานรูปและกระตตารูปที่เป็นออปาทายรูปอาศัยมหพุทธรูปเกิดขึ้นละถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีโอตุเป็นสมุทฐาน สำหรับเหล่าอาสัญญาสัตยพรมมหาภูตรูปสาอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นกระตัตตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นนาอารมณะณปัจจัย17สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและมักเบื้องบนสอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเกิดขึ้นเพราะอณอารมะณะปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูป อาศัยขันที่ต้องประหารด้วยโซดาปฏิมคเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาและมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะน้าอรมณ์ปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาและมรรคเบื้องบนสาม อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะหน้าอรมณ์ปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตัตตารูปอาศัยขันที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นหาทายวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่ง และถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสําหรับเหล่าอาสัญญสัตยพรมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งสิสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องวนสาอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสาเกิดขึ้นเพราะนอารรมณปัจจัยได้แก่ จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและอาศ like ัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื่อมบนสและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้อมบนสาเกิดขึ้นเพราะนอารรมนัปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม และอาศรร course, ัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นณอธิปติปัจจัยเป็นต้น19สภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยณอธิปติปัจจัยเป็นต้นบริบูรณ์แล้วเหมือนฝาเพตุปัจจัยเพราะณอนันตระปัจจัยเพราะณสมันตระปัจจัยเพราะณอัญญมัญญะปัจจัย เพราะหนอุปนิสยปัจจัยน้ปุเรชาตะปัจจัยยีสสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นเพราะน้ปุเรชาตะปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมักเบื้องบนสาม อาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่จิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นในอรูปาวจรภูมิขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเกิดขึ้น ขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นยีสิบสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก ละมักเบื่องบนสามเกิดขึ้นเพราะนภูเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขัน 3, สามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นขัน 2, อสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นจิตตะสมุทานรูปอาศัยขันที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสามเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามและปฏตตารูป อาศัยขันหนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสามเกิดขึ้นขันสองและกระตาตารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นหัตยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหัยวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสาอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทรานที่มีอุตุเป็นสมุทรานสำหรับเราอาศัญยศตพรม อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที fallen, 好好 apa, ่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม อาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะนบปุเรชาติปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นนะับปัจจาชาติปัจจัยเป็นต้น22สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรค อาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเก Saint ิดขึ้นเพราะนปัจชชาตะปัจจัยเพราะนอาศวนปัจจัยนกรรมปัจจัยี่สิบสามสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคอาศัยขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเกิดขึ้น สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื่องบนสอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสเกิดขึ้นเพราะนะักรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสอาศัยขันที่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคบื้องบนสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื่องบนสาม เกิดขึ้นเพราะนักรรมปัจใจได้แก่เจตนาที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสามอาศัยขันที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสามเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอสาัญญาสัตวพรมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งนาวิปากปัจใจยี่สิบสี่ สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะนวิปากับปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับนาอธิปติปัจจัยไม่มีปฏิสนธินาอาหารปัจจัยยี่สิบห้าสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้งบนสามอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้งบนสามเกิดขึ้น เะหนาะอาหารปัจจัยได้แก่และถึงที่เป็นภายนอกที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสําหรับเหล่าอาสัญญาสัตย์พรมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งน้าอินทริยปัจจัย26อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัฏิมักและมักเบื่องบนสาเพราะนะ้าอินทริยปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐาน อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งสำหรับเหล่าอสัญญาสัตรพรมรูปปชีวิตดินสีอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นณชาณปัจจัย27อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและด้วยมักเบื่อมบนสาเพราะณชานปัจจัยดจได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เจาะรกรดด้วยปัญจวิญญาณเกิดขึ้นอาศัยขันสองที่เป็นภายนอก ที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอาสัญญาสัตยพรมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งนมคัคคะปัจจัย28อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมัคเบื้อบนสาเพราะนามคัคคะปัจจัยได้แก่และถึงอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอหตทุกะซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมัคเบื้องบนสาม ในปฏิสนธิขณะที่เป็นอะเฮตุกะอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสําหรับเราอาสัญญาสัตยพรมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งณสำปรยุตตปัจจัย29สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่อมบนสาอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะณสำปรยุตตปัจจัย ปัจจัยนี้เหมือนกับนอารมณะปัจจัยนะวิปยุตตะปัจจัยสาสอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักเพราะนะวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิอาศัยขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเพราะนะวิปยุตตปัจจัยได้แก่ใน อ, อ, standard, อ ร, รูาปาวจรภูมิ อาศัายขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนาสาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเพราะนับวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภู ม, มิอาศัยขันหนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏมิมักและมักเบื้องบนสามที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอสัญญาสัตยพรม โนนัติปัจจัยและโนวิคตะปัจจัยสาสอสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและมักเบืงบนสอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเพราะโนนัติปัจจัยเพราะโนวิคตะปัจจัยปัจจัยทั้งสองนี้เหมือนกับนอารัมณปัจจัย สปัจยปัจญียสอสังคยาวาระ32มนเหตุปัจจัยมีสามวาระนอารามณปัจจัยมีห้าวาระนอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระนอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตรปัจจัยมีห้าวาระณอัญญามัญญปัจจัยมีห้าวาระณอุปาณิยปัจจัยมีห้าวาระ นาปุเรชาตปัิจัยมีเจวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีเ้าวาระนอเซวนาปัจจัยมี9้าวาระนกรรมปัจจัยมีสวาระนวิปากปัจจัยมีเ้าวาระนาอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนามขะปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีหวาระ ณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระทราบแล้วพึงนับต่อไปปัจจนิยะจบ 3. ปัจญานุโลมปัจจนิยะเฮตุทุกขในส3มสสามณอรมณ์ปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมี9้าวาระ ณอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมณันตระปัจจัยกเพตุปัจจัยมีห้าวาระณอญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระณอเสวณปัจจัยมีเ้าวาระณกรรมะปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีเก้าวาระ ณสัมยุญตปัจจัยมีห้าวาระณวิปุญต์ปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระผู้รู้พึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจญจิยะจบ 4. ปัจจยะปัจญจิยานุโลมนเหตุทุกขในยัยมสิบสีอารมณ์ปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระ อนันตรปัจจัยละถึงมีสามวาระสมนันตระปัจจัยมีสามวาระสหชาติปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระอาเจวะณะปัจจัยสับนะเหตุปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระ วิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระมหาราปัจจัยมีสวาระอินทริยปัจจัยมีสวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสองวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสวาระวิตยุตตปัจจัยมีสวาระอธิปัจจัยมีสวาระนัตติปัจจัยมีสามวาระวิคตะปัจจัยมีสามวาระ อวิคตาปัจจัยมีสามวาระผู้รู้พึงนับอย่างนี้ปัจญิยานุโลมจบปฏิจัวาระจบแปดทัศเนนะปะหาตับภัติกะสอง าชาตวาระหนึ่งถึงสี่ปัจจญานุโลมเป็นต้นสามสิบห้าสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดร่วมกับสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดร่วมกับขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดร่วมกับขันสองสหาชาตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระแปด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 ทำสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามีสามวาระ37สภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสามทำสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตะสมุทนานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ทำขันสองในปฏิโซนที่ขณะขันสามและกาตาตารูปทำขันหนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยสวัสดาปฏิมักและมักเบื่มบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอัธยวัตถุทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันทำอัธยาวตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามทำมหาภูตรูปหนึ่งให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น จิตตสมุทานรูปและกระตาตารูปท ja <repay> ี่เป็นอุปาทายรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามทำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักทำสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่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 และมรรคเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมรรคเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักธรรมทายวตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตาสมุทฐานรูปธรรมมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมรรคเบื้องบนสาม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 และที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสให้เป <im Ye> ็นป <im> ัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและทำหะเทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองทำขันสองและทำหะเทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามทำสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก และที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและม Il ักเบื่องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานในรูปทำขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสามทำสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิม Il ัก และที่ไม่ต้องประหารด้วยโซดาปฏิมักและมักเบื้อมบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและทำหะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองทำขันสองและหะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุฐานรูปทำขันที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 39สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสองและหทัยวัตถุ สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาและทำมหาปูทรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม และที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามทำสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื่องบนสาและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสและทำหัตถเยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสองและหัตยวัตถุจิตสะสมฐานรูป ทำขันที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอารมณะปัจจัย40สสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักทำสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสอง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 ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมะนปะัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่อมบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ท, ทำ Man, นขันสองขัน <microscope S 2> ทำพ <cie S 2> ัทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจากขวิญญาณทำจากขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก และมรรคเบื้องบนสามธรรมะไยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรักธรรมสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรักและมรรคเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่คันที <Lightning. S 1> ่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรักธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม ทำสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมาณะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น41สภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักทำสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม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 อธิปฏิปัจจัยเป็นต้นบริบูรณ์แล้วไม่มีปฏิสนธิเพราะอนันตระปัจจัยเพราะสมณันตระปัจจัยปัจจัยทั้งสองนี้เหมือนกับอารมณปัจจัยสหชาตะปัจจั ย, ส, าาจจยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักทำสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะสหาชาตะ ป, ปัจจัยได้แก่ธรรมขันธ์หนึ่งที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัก มีสามวาระทำสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามมีสามวาระส3สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสามทำสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะสหชาตะปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตส牟ฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรค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 ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยปัจจัยที่เหลือเหมือนสะเพตุปปัจจัยอัญญมัญญะปัจจัยเป็นต้นสี่สิบสี่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคทาสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญปัจจัยเพราะนิจยปัจจัยเพราะอุปนิสยะปัจจัยเพราะปุเรชาตปัจจัย ไม่มีปฏิสนธิเพราะอาศวณัปัจจัยไม่มีปฏิสนธิและวิบากเพราะกรรมะปัจจัยเพราะวิปากปัจจัยเพราะอาหาระปัจจัยเพราะอินทริยะปัจจัยเพราะชาณะปัจจัยเพราะมรรคปัจจัยเพราะสัมปยุตตปัจจัยเพราะวิปยุตตปัจจัยเพราะอธติปัจจัยเพราะนัิปัจจัยเพราะวิคตะปัจจัยเพราะอวิขตะปัจจัย